ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรกิตาจารย์ชาวสีลังการั จ, จนาต่อไปจะเป็นสมบัติของเท้าส ก, กะเท้าส ก, กะนั้นมีชายานามว่าสุธรมรมานางประดับด้วยอาพรทั้งปวงดุดสายฟ้าที่รึงรัดด้วยสายรัตนะ แวดล้อมด้วยนางเทพอับศรหลายพันนางนั่งอยู่เบื้องพระพักของเท้าส ก, กะถัดนั้นไปชายานามว่าสุชาดาผู้มีศีลเกิดดีแล้วประดับด้วยอาภรสายรัตนะ์แวดล้อมด้วยนางเทพอับสรหลายพันนางนั่งอยู่ข้างเบื้องขวาถัดจากนั้นชายานามว่านันทาผู้เป็นที่รักของประชาชนประดับด้วยเครื่องประดับของเทวดา แวดล้อมด้วยนางเทพอับศรหลายพันนางนั่งอยู่ข้างเบื้องหลังถัดจากนั้นชายานามว่าวิจิตราผู้งดงามเลอโฉมระดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแวดล้อมด้วยนางเทพอับศรหลายพันนางนั่งอยู่ข้างเบื้องซ้ายนางเทพกัญญาทั้งหลายนั่งแวดล้อมอยู่โดยรอบด้วยประการอย่างนี้เทพบุตรผู้สนิทของเท้าสกน์นั้นมีถึง เก้าหมืนสามพันองค์ตกแต่งในตาใบหน้าร่างกายและวันณะอย่างดีต่างถือหม้อน้ํารัตนะและคันช่องทองเป็นต้นนั่งอยู่รอบดา้านเทพธิดาหลายพันนางถือหม้อน้ําทองยืนแวดล้อมอยู่เทพธิดาหลายพันนางยืนฟ้อนรำอยู่ภายนอกสถานที่ฟ้อนรำแวดล้อมเทพบุตรเหล่านั้นด้วยประการอย่างนี้ นางเทพอับสอนนามว่าคักขลาดีดพินชื่อมหาวีนาในเวลานั้นพินหกมื่นคันเป็นบริวารของมหาวีนานั้นเปล่งเสียงออกมาเองเลยนางเทพธิดานามว่าสาธุเป่าคลุยชื่อสุนท ร, ราวะในครั้งนั้นคลุยหกหมื่นเลาซึ่งเป็นบริวารของคลุยสุนท ร, ราวะนั้นเปล่งเสียงออกมาเอง นางเทพที่ดานามว่าอาหัจะสาดีดีดน ก, กุละพินน ก, กุละวีนาแปลตามศัพท์ว่าพินพังพรชื่อว่ามธท ร, ระสรรมธทระสอนในครั้งนั้นน ก, กุละพินหกมืนคันซึ่งเป็นบริวารของน ก, กุละพินมัุรสมธทระสรร ซึ่งเป็นบริวารของนักุละนกุละพินมาทุระสอนนั้นเปล่งเสียงออกมาเองนางเทธิดานามว่ามณิเมขลาเป่าสังชื่อวิชยุตในครั้งนั้นสังหกหมื่นขอนซึ่งเป็นบริวารของสังวิชยุตนั้นเปล่งเสียงออกมาเองนางเทธิดานามว่ามโนหรา ตีกรองตะโพนชื่อปุถุพิมภะในครั้งนั้นกรองตะโพนหกหมื่นลูกซึ่งเป็นบริวารของกรองตะโพนปุถุพิมภะนั้น <rendo. S 1> ก็มีเสียงดังออกมาเองนางเทพธิดานามว่าอดิมุตตะกีตีกรองตะโพนชื่ออานันทะในครั้งนั้นกรองตะโพนหกหมื่นลูกซึ่งเป็นบริวารกรองตะโพนอานันทะนั้นเปล่งเสียงออกมาเอง นางเทพธิดานามว่ามุตตะกีตีกลองใหญ่ตาเดียวชื่อทีฆะมุขะกลองใหญ่ตาเดียวหกหมืนลูกซึ่งเป็นบริวารของกลองใหญ่ทีฆะมุขะนั้นมีเสียงดังออกมาเองนางเทพธิดานามว่านันทาตีกลองบันเดาะก็คือกลองเปิงมงังชื่อโกลํมพัสสอนในครั้งนั้นกลองบรนเดาะหกหมืน 60, ลูก ก็มีเสียงดังออกมาเองนางเทธิดานามว่ามายาตีกลองรบชื่อว่าโปคราในครั้งนั้นกลองรบหกหมืนลูกซึ่งเป็นริวาลของกลองรบโปการานั้นก็มีเสียงดังออกมาเองนางเทธิดานามว่าโปตัสราประโคมปล้องแก้วมณีชื่อนันทศรในครั้งนั้นปล้องแก้วมณีหกหมืนอัน ซึ่งเป็นบริวารของกล้องแก้วมณีนันทศน์นั้นเปล่งเสียงออกมาเองนางเทศธิดานามว่าสันตังคเสนาจีกลองใหญ่ชื่อโคสะในครั้งนั้นกลองใหญ่หกหมื่นลูกซึ่งเป็นบริวารของกลองใหญ่โคสะนั้นมีเสียงดังออกมาเองนางเทศธิดาหลายพันนางดังที่กล่าวมาเป็นต้นช่วยกันประโคมดนตรีมีองค์ห้าอย่างนี้คือ กลองตะโพนกลองบันเดาะกลับเครื่องเป่าหลายอย่างโดยชื่อต่างๆกันในครั้งนั้นดนตรีองค์ 5, 6, 60, 000ชิ้นแว่นล้อมเท้าส ก, กะนั้นบรรเลงมีเสียงออกมาเองในครั้งนั้นคันทัพพระเทพบุตรนามว่าสุธรรมแขวนกลองชื่อสัพพนันทนะ ที่ทำให้พวกเทวดายินดีไว้ที่ไหลแวดล้อมด้วยกลองหกมื่นแปดพันลูกพร้อมกับเทพนาฏตศิลป์หลายพันยึดมนทนที่เต้นรำในเนื้อที่ลานกลมห้าสิบโจทย์แสดงหน้าตศิลป์ของคนทันบนยอดภูเขาจักรวาลด้านทิศปาชีนเทพบระบุนามว่าติมพะรูสกะแบกรองชื่อเอกะโปขะไว้บนบา แม่ล้อมได้กลองหกหมื่นแปดพันลูกพร้อมกับเทพนาฏศิลป์หลายพันยึดมนทนที่เต้นรําในเนื้อที่ลานกลมห้าสิบโยศแสดงนาฏศิลป์คนนนันคนทันแสดงนาฏศิลป์คนทันบนยอดภูเขาจักรวาลด้านทิศทักษิณคนทันเทพบุตรนามว่าทีฆามุขะแบกกลองชื่อมหาพันดะไว้บนบ่าแม่ล้อมได้กลองหกหมืนแดพันลูก แวดล้อมด้วยกลองหกหมื่นแปดพันลูกพร้อมกับคณะเทพนาฏศิลป์หลายพันยึดมวลชนที่เต้นรําในเนื้อที่ลานกลมห้าสิจ์แสดงนาฏศิลป์คนทันบนยอดภูเขาจักรวาลด้านทิศปัจฉิมคนทันเทพประปุตนามว่าปัญจสิกะแบกรองชื่อสุสระไว้บนบา่าแวดล้อมด้วยกลองหกหมื่นแปดพันลูกพร้อมกับคณะเทพคนทันหลายพันยึดมวลชนที่เต้นรํา ในเนื้อที่ลานกลมห้าสิบโยต์แสดงหน้าตัสินคนทันบนยอดภูเขาชกวาลด้านทิศอุดรท้าส ก, กะเทวราชอันเทวโลกทั้งสองเฝ้าตามห้อมล้อมได้รับการอารักขาจากท้าจตุโลกบาลเทวราชได้การจัดการอารักขาอย่างดีจากยักษ์เสนาบดียี่สิบแปดตนประดับด้วยความวิลาศแห่งสถานที่เต้นรำต่าง แวดล้อมด้วยหมู่เทวดาผู้ประเสริฐแวดล้อมด้วยนางเทพอับษรสองโกดครึ่งซึ่งถือหม้อเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการเป็นต้นชมมหรสพเทพคนทันนาฏศิลป์ยี่สิบสี่โกธทรงรับการโปรยปลายและองเคศรดอกไม้ที่ปลิวมาจากสิบทิศทรงมีกลิ่นหอมดีหลายกลิ่นมีกลิ่นกละลำผักเป็นต้นเสด็จไปทรงกรีทาในอุทยาน ก็ในที่นี้เท้าสักกะทรงแวดล้อมด้วยหมูนางอับสอนเสด็จลงสู่ถนนใหญ่ที่เป็นทองกว้างหกสิบโยชน์ทรงเที่ยวเล่นนักสัตว์ในอุทยานนันทวันเป็นต้นในอุทยานนันทวันเป็นต้นนั้นที่อุทยานปุณธริกแห่งหนึ่งมีต้นทองหลางชื่อปาริฉัดปริมณฑลโดยรอบสามร้อยโยชน์ลำดับอขอโทษครับลำต้นประมาณสิบห้าโยชน์สูงร้อยโยชน์ที่โคนต้นปาริฉัดนั้น มีแผ่นศิลาพันธุกรรมลมีสีเหมือนดอกชบายาวหกสิบโยชน์กว้างห้าสิบโยชน์สูงสิบห้าโยชน์ซึ่งอ่อนนุ่มเมื่อเท้าส ก, กะประทับนั่งพระวรกายจะจมเข้าไปกึ่งหนึ่งในเวลาเสด็จลุกขึ้นส่วนที่ยุบก็ฟูขึ้นจนเต็มเทวสภาชื่อสุนัสุธรรมมาเทวสภาชื่อสุธรรมมายาวและกว้างสามร้อยโยชน์วัดโดยรอบเก้าร้อยโยชน์ สูงห้าร้อยโย์พื้นเป็นแก้วผลึกเสาจันทันคือเป็นต้นเป็นแก้วไผทูลริ่มสลักเสาและแปรเป็นเงินรูปสตร้ายเป็นแก้วประพานไม้กรอนหลังคาเพดานและขอบด้านหน้าเป็นรัตนเจ็ดประการกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแก้วอินทนินหินอัฐจันที่มุงเป็นทองยอดแหลมเป็นเงินมีเครือถวัรเครือหนึ่ง ชื่ออาสาวดีพันปีเทวดาทั้งหลายจึงไปยังสาราบำรุงด้วยคิดว่าเครือถาวัลจะออกดอกเมื่อต้นปาริฉัตรออกดอกบานร้อยปีเทวดาทั้งหลายจึงจะไปยังสาราบำรุงเทวดาเหล่านั้นย่อมดีใจตั้งแต่ต้นปาริฉัตรมีใบเหลืองเป็นต้นไปสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ทีกสุดทั้งหลายสมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของลาวเทวดาชั้นเดาดึงมีใบเหลืองสมัยนั้นลาวเทวดาชั้นเดาดึงต่างก็ดีใจกันว่าบัตรนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรมีใบเหลืองไม่นานนักใบเหลืองก็จะร่วงโร่นก็เป็นนิมิตหมายว่าจะออกดอกนะส่วนต้นเกลือเถาชื่ออาสาวดีนี่พันปีถึงจะออกดอกทีนึง เมื่อต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรผลิบานตลอดแนวทั้งหมดรัศมีย่อมแผ่ออกโดยรอบร้อยโยอดกลิ่นลอยไปตามลมร้อยโยอดเมื่อดอกปาริฉัตรบานแล้วกิจที่จะต้องปีนขึ้นไปหรือกิจที่จะต้องถือตะขอแล้วเหนี่ยวลงหรือกิจที่จะต้องใช้ผอบเพื่อรับดอกย่อมไม่มีลมพัดลมพัดตัดจะเกิดขึ้นลมที่พัดตัดก้านขั้ว ของดอกปฏิชัดก็จะเกิดขึ้นตัดดอกจากขั้วลมที่พัดมารับก็จะรับไว้ลมที่พัดหอบก็จะพัดหอบเข้าไปยังเทวสภาสุธรรมมาลมพัดกวาดก็จะกวาดดอกไม้เก่าออกทิ้งลมที่พัดลาดก็จะพัดลาดใบช่อและเกสรที่ตรงกลางมีธรร ม, มาสอยู่มีบันลังแก้วประมาณหนึ่งโยชนบนบันลังนั้นมีเวตฉัตรสามโยกกั้นอยู่ ถัดจากบัลลังก์นั้นมีอาสนะปูราดไว้สำหรับเท้าสกะเทวราชถัดจากนั้นไปก็มีอาสนะปูราดไว้สำหรับเทพบุตรสามสิบสององค์ถัดจากนั้นไปก็มีอาสนะปูราดไ ว, สดไไว้สำหรับเทวดาผู้มีศักมากเหล่าอื่นส่วนเทวดานอกนั้นใช้ช่อดอกไม้เป็นอาสนะก็เท้าสกะเทวราชจะเป่าสังวิชยุทธประมาณร้อยยี่สิบอ เพื่อให้เทวดาทั้งหลายประชุมกันเสียงของสั่งนั้นแผ่ไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงประมาณหมื่นโยอล่วงไปสี่เดือนจึงสงบเงียบเทวดาทั้งหลายก็เข้าไปประชุมกันยังเทวสภาจากนั้นสายละอองเกสรก็จะพุ่งขึ้นจากดอกไม้ทั้งหลายไปจดช่อฟ้าข้างบนแล้วตกลงกระทั่อัตภาพประมาณสามคาวุฒของเทวดาทั้งหลาย ให้เป็นดุจตกแต่งไร้ทาด้วยน้ำคลั่งการเล่นของเทวดาเหล่านั้นสี่เดือนจึงจะสิ้นสุดท้าวมหาพรหมนามว่าสนังกุมารมานั่งแสดงธรรมบนธรรมานั้นดุจปิฏฐุผู้รู้ธรรมเทพบุตรหรือทา้าวสกัดเทวราชก็แสดงธรรมท้าวมหาพรหมนามว่าสนังกุมารเมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมด้วยเพศของปัญจสิกขาเทพบุตร มาเหตุเพราะสนังขากุมารมหาพรหมนั้นสั่งสมบูรณ์ทั้งหลายในมนุษยสิจโลกและจุติจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดมีอายุเก้าล้านปีในหมู่คนทันดาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชมีอัตภาพประมาณสามขาวุฒรุ่งเรืองดุดภูเขาทองสนังขากุมารมหาพรหมนั้นประดับเครื่องประดับหนักหนึ่งพันเล่มเกวียน รูปไร้เครื่องรูปไร้กลิ่นหอมประมาณเก้าหม้อนุ่งผ้าทิพย์ประดับต้มหูสีแดงผูกผมห้อยเป็นห้าจุกเพราะเหตุนั้นสนังัค ก, กุมารนั้นจึงได้ชื่อว่าปัญจสิกะปัญจสิกเทพบุตรนั้นเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งปวงเพราะฉะนั้นพรหมนั้นจึงนั่งแสดงธรรมด้วยเพศของปัญจสิกะเทพบุตรก็เป็นเด็กณนะไว้ผมห้าหยำ ก็เวลาที่พวกเทวดาเข้าไปนั่งอย่างเทวสภาสุธรรมมาสิ่งทั้งปวงเช่นการจัดแจงอารคขาของท้าจตุโลกบาลการฟ้อนรำขับร้องและการประโคมก็เป็นเช่นกับที่กล่าวในตอนแรกนั่นแลในวันพระแปคำ่อำอามาทั้งหลายของท้าวสกะอามาตทั้งหลายของท้าวมหาราชทั้งสี่ ในวันพระแรมสิบสี่ค่ำบุตรทั้งหลายของท้าวมหาราชทั้งสี่ในวันอุโบสถสิบห้าค่ำท้าวมหาราชทั้งสี่เองต่างก็ถือแผ่นทองและสีแดงชาติเที่ยวไปในคามนิคมราชธานีก็คือถ้าเป็นวันวันแปดคำ่ำนะวันแปดคำ่ำนะซึ่งเป็นวันธรรมสนะเนี่ยนะพวกอำมาตย์ของมหาราชทั้งสี่ก็จะถือเอาแผ่นทองสีแดงต่างๆ ไปในนิคมราชธานีในถิ่นมนุษย์แล้วก็เขียนชื่อจดผู้ที่ทําบุญนะส่วนในวันสิบสี่ข้ามนะพวกบุตรของเท้ามหาราชทั้งสี่ก็จะไปเองถ้าเป็นวันอุโบสถสิบห้าข้ามพวกเทามหาราชทั้งสี่ก็มาเองมาด้วยวพระองค์เองเลยต่างถือแผ่นทองและสีแดงชาติเที่ยวไปในคามนิคมราชธานีในถิ่นมนุษย์ ใช้สีแดงชาติเขียนลงบนแผ่นทองโดยนายเป็นต้นว่าหญิงคนโน้นชายคนโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะถวายทานรักษาศีลเข้าอยู่จําอุโบสถประพฤติอ่อนน้อมต่อมารดาบิดาและบุคคลผู้เป็นใหญ่ในตระกูลฟังธรรมกระทําการสการะพระธรรมกถึกทั้งหลายแล้วนิมนต์ให้แสดงธรรมให้ช่างประดิษฐานเรือนพระเจดีย์ เรือนโพและพระปฏิมากรเป็นต้นสมาทานกุศลกรรมบทสิประการบำเพ็ญสุจริตสามประการแล้วนำมามอบให้ปัญจสิขาเทพบุตรปัญจสิขาเทพบุตรก็จะมอบให้มาตารีเทพบุตรมาตารีเทพบุตรก็จะมอบให้เท้าสักกะเทวราชในการใดผู้ทำบุญมีน้อยในการนั้นบัญชีรายชื่อก็จะมีน้อยเทวดาทั้งหลายเห็นบัญชีรายชื่อมีน้อยนั้นเข้า ก็พากันเสียใจว่าชาวโลกพากันประมาทอบายสี่จะเต็มเทวโาหกชั้นจะว่างเปล่าถ้าบัญชีรายชื่อมีมากเทวดาทั้งหลายเห็นบัญชีรายชื่อมีมากก็จะพากันยินดีว่าชาวโลกอยู่กันอย่างไม่ประมาทอบายทั้งสี่จะว่างเปล่าเทวดาจะเต็มพวกเราจะเชิญชาวโลกผู้มีบุญมากซึ่งกระทาบุญในพระพุทธศาสนาแล้วจึงมา ให้เป็นประธานแล้วจัดมหาหรศพก็จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับนะท้าวส ก, กะเทวราชทรงรับบัญชีรายชื่อนั้นแล้วทรงอ่านในท่ามกลางหมู่เทวดาเสียงทรงอา่านตามปกติของท้าวส ก, กะเทวราชนั้นได้ยินไปไกลสิบสองโยตเมื่อทรงอ่านดังเสียงจะแผ่ไปทั่วสวรรค์ชั้นดาวดึงประมาณหมื่นโยตท้าวสกะเจ้าแห่งพูดอันเป็นจอมเทพ ผู้มียศอย่างนี้เกิดในเทวโลกด้วยบุญที่กระทาในมนุษยโลกทรงเสวยสมบัติอันหาที่สุดมิได้ในเทวโลกนั้นตลอดอายุหนึ่งพันปีทิพย์เสวยสมบัติแม้ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลผู้กระทาบุญไว้แล้วพึงได้ดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายบุคคลผู้ไม่เสียจริตมีความตั้งใจใครเล่าจะไม่พึงทาความเอื้ออาทร ในบุญต่างๆก็บุญดังกล่าวนั้นเพียงเท่าหยาดน้ําน้อยนักใครเล่าที่มีความรู้เมื่อจะกล่าวถึงจะพึงกล่าวพรนานาได้บุคคลผู้มีปัญญาละกายเน่าเปื่อยที่ไม่เที่ยงแท้นี้แล้วพึงได้เสวยความดีคือผลแห่งบุญนั่นเองนี้เป็นเรื่องของสวรรค์ซึ่งพรนน า, นาสมบัติของเท้าส ก, กะคับ จะตุมหาราชต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเทวโลกนะซึ่งเป็นเรื่องของพรหมด้วยนะซึ่งก็จะไว้ตอนวันพุงนี้ก็แล้วกันนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออมุโมนาสาธุการในะท่านพูดมีศรัทธาแล้วก็อบรมอินทรีห้าเพื่อความบรรลุอริยสัจธรรมในที่สุดสาธุสาธุสาธุ